ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตรประปพระปุพพะสิกขาและปุพพะสิกขาวันนนาพระอมราพิระกิตะอมรโรเกิดวัดปรรมิว่ารัชนาบรนี้จะแปลอธิบายในบทว่าอารหังเป็นต้นท่านประกอบบทไว้เป็นอนุสสา ร, ระในอย่างสำหรับตามระลึก ซึ่งคุณแห่งพระพุทธเจ้าดังนี้ว่าโสภะวาอิตติปิอรหังโสภะวาอิตติปิภะวาข้อความละแปลว่าโสภะวาพระผู้มีพระภาคนั้นอรหังชื่อว่าอรหังอิตติปิแม้เพราะเหตุดังนี้แปลอย่างนี้ไปทุกบทจนถึงบทว่าโสภควาอิตติปิภะวาอธิบายว่า โสกะวะพระผู้มีพระภาคนั้นอรหังชื่อว่าอารหังเพราะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสอย่างหนึง่งเพราะเป็นผู้ควรอย่างหนึง่งแท้จริงพระผู้มีพระภาคนั้นตั้งอยู่แล้วในที่ไกลด้วยดียิ่งนักจากกิเลสทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอารหังกิเลสกิเลสนั้นแปลว่าเครื่องหมองใจได้แก่ความโลภความโกรธความหลงและมายาสาไถาเป็นต้น ที่เกิดขึ้นแล้วทําน้ําจิตให้เจ้าหมองขุนมัวเป็นอกุศล จ, จิตซึ่งว่าพระองค์ไกลกิเลตนั้นใช่ว่ากิเลสจะกลัวพระองค์หนีไปอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือพระองค์หนีกิเลสมานั้นก็หาไม่เพราะกิเลสเป็นอรูปธรรมไม่มีรูปไม่มีตัวซึ่งว่าพระองค์ไกลกิเลตนั้นคือไม่มีกิเลสเครื่องหมองใจในสันดานพราะสัพพะกิเลสทั้งว่าสนา พระองค์มละเสร็จแล้วด้วยมัรคยานนั้นๆก็วาสนานั้นแปลว่าปกติอันกิเลสอบรมอยู่ได้แก่อาการแห่งกายวาจาของพระขีณาสพผู้ไม่มีกิเลสเหมือนอาการของคนมีกิเลสวาสนานี้พระสัพพันธ์ยูพุทธเจ้าจำพวกเดียวมละได้ขาดพร้อมกับกิเลสด้วยอรหัตมรรคพระประเจกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์จึงเป็นสาวกมละวาสนาไม่ได้ มาละได้แต่กิเลสอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นพระสารีบุตรผู้อัครสาวกในพบก่อนท่านเคยเกิดในกำเนิดวานอนวาสนาอาการแห่งวานอนติดมาแม้เป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อเวลาดำเนินถึงที่หลุมบ่อท่านก็โดดโลดดังวานอนอันหนึ่งพระปิรินทวัตชัดเถระเมื่อท่านเป็นปุถุชนอยู่มักกล่าวว่าวัสลิวัสลิเป็นคำหยาบโดยนิยมในมคธภาษา ก็คือแปลว่าคนถอยคนถอยแม้ท่านเป็นพระอรหันต์ขีนาศบแล้วท่านก็ยังปลาอยู่ว่าวัสริวัสริเจอใครก็เรียกคนถอยคนถอยหมดเพราะวาสนาพระอรหันตสาวกมาละไม่ได้เพราะเหตุนั้นความมาละกิเลสแห่งพระพุทธเจ้าไม่สาธารณะทั่วไปกับพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะไกลจากกิเลสดังนี้ พระองค์มีพระหรไทยัยอันบริสุทธิ์ใสสะอาดไม่หวาดหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดลาบและใช้ลายศและใช้ยศนินทาประสังสาตุกทุกมาถึงเฉพาะพระองค์พระองค์ไม่อนุโรธพิโรธคือความยินดีความยินร้ายย่อมเพิกเฉยประกรอบด้วยฉลังคู่เปคามีอุเบคาในทวารทั้งหก แม้รูปเสียงสินรถผุถพระธรรมรมดีร้ายใดๆมากระทบจักขุโสตะคานะชิวหาตายมโนทวานพระองค์ไม่โสมนัตโทมนัตย่อมเพ่งโดยอุบัติด้วยยานุเบคาเป็นอุเบคาวางเฉยด้วยปัญญาอันหนึ่งพระองค์มีพระหฤทัยดังแผ่นดินแม้พระกายข้างหนึ่งทาด้วยจุรัจันสุขผลชาติของหอม ร่างกายข้างหนึ่งทาด้วยทุกคนชาติของเหม็นไม่สะอาดพระองค์ไม่ยินดีบินร้ายในทุคนชาติและทุกคนชาตินั้นมีพระหฤทัยอันเสมอดังนี้เพราะพระองค์ไกลจากกิเลสอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าอารหังเพราะเป็นผู้ควรแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ควรจะบัญญัติซึ่งสิกขาบทแก่สาวก และแสดงธรรมแก่สัตวโลกเพราะพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วไม่กระทำการบัญญัติซึ่งสิกขาบทและแสดงธรรมตามอำนาจกิเลสพระองค์ทำสิ่งที่เป็นธรรมและวินัยเป็นเบื้องหน้าแล้วทรงบัญญัติซึ่งสิกขาบทและแสดงธรรมอันหนึ่งพระองค์ควรในลาบยศและความสันลเสริญความสุขเพราะพระองค์ไม่มีความยินดีอันหนึ่งพระองค์ควรรับปัจจัยทั้งสี่มีจีวรเป็นต้น และบูชาพิเศศอันเทพ ย, ายดามนุษย์ทั้งหลายกระทําเพราะพระองค์เป็นยอดแห่งทัศคินยะบุคคลกระทําผลแห่งทานการบูชาให้พบูลนพิเศศยิ่งเพราะเหตุพระองค์เป็นผู้ควรสการะบูชาพิเศศนั้นเมื่อพระองค์เกิดขึ้นแล้วในโลกเทพ ย, ายดามนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงได้บูชาพระองค์ด้วยปัจจัยสี่และเครื่องสการะบูชาพิเศศต่างๆจนพระองค์ดับขันทัปริริพานแล้ว โลกก็ยังได้ทำสการะบูชาพระองค์จนถึงทุกวันนี้เพราะเหตุนี้จึงว่าพระองค์เป็นผู้ควรในปุพาสิกขาแปลบทว่าอารหังว่าผู้ควรก่อนนั้นตามสัทรูปแล้วแปลว่าผู้ไกลกิเลสไว้เบื้องหลังในที่นี้แปลว่าผู้ไกลกิเลสก่อนตามในปาลีเพื่อจะแสดงว่าผู้ควรนั้นเพราะไกลาจากกิเลส พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ตัสรุคือรู้เท่าซึ่งทำทั้งปวงเองชอบอธิบายทั้งปวงให้นักปราชญ์พึงรู้ดังบทว่าบุตโธดังกล่าวแล้วในก่อนแปลแต่ที่นี้มีบทว่าสัมมาสังกับว่าทำทั้งปวงแทนสังขารทั้งปวงเท่านั้นสัมมาแปลว่าชอบแสดงว่าความตัสร้ของพระองค์ชอบแท้ไม่วิปริต และบรรทากิเลสสาสวะเสได้คำว่าสังแปลว่าเองนั้นแสดงว่าพระองค์ตรัสรู้เองแต่ลำพังไม่มีผู้ใดในไตรภพเป็นครูสอนก็ทำทั้งปวงที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็คืออายตนะหกวิญญาณกายหกััศหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกตายวิตกวิจาร สิ่งละหกสิ่งละหกก็เป็นปิยรูปสาธารูปหกสิบสิ่งที่เป็นที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจในโลกขันห้ากระสินสิบอนุสติสิบกัญญาสิบอาการมีผมขนเล็กเป็นต้นอาการสามิสองอายตนะสิบสองาสิบแปดภพเก้าฌานสี่ภพเก้าก็ได้แก่การมาภบรูปประภบอารูปประภบ แล้วก็สัญญาภพอัสัญญาภพเนวสัญญาอสัญญาภพปัญจวการาภพเอกวการาภพจตุว ก, ารากราภพอัปภมัญญาสีอรูปสมบัตสีองค์ปฏิจจุบาทมีอวิชชาเป็นต้นมีชราเป็นที่สุดสิบสองอย่างสิบสององค์โดยอนุโลมปฏิโลมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมทั้งปวงแทนสังขารทั้งปวงพระองค์รู้เท่าธรรมทั้งปวงนี้ คือรู้ว่าเป็นอภิญญยธรรมจะพึงรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนี่ก็กําหนดรู้รู้ด้วยปัญญายิ่งด้วยวิปัสสนาญาณสองเป็นญาติปริญญาวิปัสสนาญาณที่หนึ่งที่สองจะพึงรู้ยิ่งอย่างไรก็รู้ด้วยนะส่วนธรรมที่เป็นปริญญาจะพึงกําหนดรู้คือทุกก็กําหนดรู้ว่าเป็นทุก์ด้วยตีรณะปริญญาวิปัสสนาญาณที่สามที่สี่ ส่วนธรรมที่เป็นปหาตับพระจะพึงมาละได้คือสมุทัยก็มาละได้ด้วยปหาณะปริญญาก็ตั้งแต่พังคานุปสนายานเป็นต้นไปจนถึงอัตตมัตส่วนธรรมที่เป็นสัจจิกาตับพระจะพึงกระทําให้แจ้งประจักษ์คือนิโรธก็กระทําให้แจ้งประจักษ์ได้จะได้แก่พระนิพพานส่วนธรรมที่เป็นภาเวตับพระจะพึงให้มีให้เจริญขึ้นคือมัตก็ให้มีให้เจริญขึ้นได้ ด้วยสินสมตทิปัญญาประชุมกันมักมีองแตกอย่างนี้แลชื่อว่ารู้ยิ่งจะประกอบในอายตนะอันเดียวคือจักสุพอเป็นนิทัศนาตัวอย่างจักสุนี้เป็นขอจะพึงกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะใช่ตนจึงเป็นทุกข์ตัณหาในพบก่อนซึ่งให้เกิดจักสุมานั้นเป็นสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกขตัณหานี้เป็นขอจะพึงมละได้ ความไม่เป็นไปแห่งทุกข์และสมุทัยนั้นชื่อว่านิโรธนิโรธนี้เป็นของจะพึงกระทําให้แจ้งประจักษ์ได้ความรู้ทุกข์กับสมุทยัยนิโรธนั้นชื่อว่ามัชมัชนี้จะพึงให้มีให้เจริญขึ้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้ารู้อย่างนี้แลชื่อว่ารู้ชอบก็ ม, มีสมถติิไม่มีผู้ใดสอนพระองค์พระองค์รู้เองเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าสัมมาสัมบูโทโธ ผู้รู้เท่าซึ่งทำทั้งปวงเองชอบให้นักปราชญ์พึงประกอบในอายตนะนอกนั้นและทำอันเสรดังนี้ทุกๆบทเถิดก็คือธรรมะ201หนึ่งเนี่ยนะในปฏิสัมพิธามรักเนี่ยจนกระทั่งถึงปฏิจจุบาทองค์สุดท้ายชารามรณะเลยก็คือชารามรณะเป็นทุกข์พึงกำลัดรู้ชารามรณะสมุทัยก็ได้แก่ปัญหาในพบก่อนทังเป็นเหตุทาให้มีชารามรณะหรือว่าชาติชาติ เป็นเหตุที่ทำให้เกิดชารามรณะแต่ชาติกมาจากนู่นแหละมาจากพบมาจากอุปาทานมาจากปัญหานั่นแหละแล้วก็ความไม่เป็นไปแห่งชารามรณะก็ได้กานยิโรธยิโรธก็ต้องทําให้แจ้งสัทธิตาตพะการที่เข้าไปกําหนดรู้ทุก์ก็คือชารามรณะก็ไปรู้ชาติหรือว่ารู้ตัณหาเป็นสมุทยัยแล้วก็รู้แจ้งยิโรธนั่นก็เป็นอริยมรรคก็ประกอบทำสองร้อยหนึ่งโดยอริยสัตติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธคุณในบทว่า สัมมาสัมพุโทโธก็แลบทว่าอรหังนั้นสำเร็จด้วยปหานะการมละกิเลสบทว่าสัมมาสัมพุโทโธนั้นสำเร็จด้วยภาวนาความทำปัญญาให้เจริญขึ้นของบทนี้ก็เป็นบทใหญ่คำว่าอรหังกับสัมมาสัมพุโทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิ ช, ชาจรณะสัมปนโนนั้นเพราะพระองค์ถึงพร้อมแล้วบริบูรณ์แล้วด้วยวิ ช, ชาและเจรณะ วิชาสามอย่างหนึ่งวิชาแปดอย่างหนึ่งวิชาสามนั้นคือปกเพนิวาสานุสติญาณปัญญาตามระดึกถึงขันธ์ที่ตนและสัตว์อื่นอยู่แล้วในพบก่อนหนึ่งจุตูปปาตยานปัญญารู้เห็นจุติปฏิสนธ์ที่แห่งสัตว์หนึ่งอาสวัยยาณปัญญาความรู้ในธรรมเป็นเครื่องสิ้นอาสวะหนึ่งสามนี้ชื่อว่าวิ ช, ชาเพราะเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดล่วงรู้ วิชาสามนี้ได้กล่าวพิจารณาแล้วในเบื้องหลังวิชาแปดนั้นคือวิปัสนาญาณปัญญาเห็นกายนี้สักว่าเป็นธาตุสีมีวิญญาณอาศัยอยู่ใช่สัตว์ใช่บุคคลหนึ่งพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัยยกขึ้นสู่ตรละอันนี้ก็เป็นวิปัสนามโมมายติธิศสำเร็จด้วยใจคือความเนรมิตซึ่งรูปอื่นออกจากกายนี้ดังชักไส้ญ้าปล้องหนึ่งอิทธิวิธี ส่วนฤทธิ์สาเร็จด้วยอธิษฐานคือคนเดียวอธิษฐานให้เป็นคนมากๆคนมากอธิษฐานให้เป็นคนเดียวเป็นต้นหนึ่งทิพทะโสตยานโสตทิพตได้ยินเสียงมนุษย์และเสียงทิพในที่ใกล้ที่ไกลได้หนึ่งอันนี้ก็หูทิพเจโตปริยายานรู้กําหนดจิตแห่งผู้อื่นว่าเป็นจิตประกอบด้วยราคะและปราจากราคะเป็นต้นก็จิตตานุ ป, ปัสนาสิบหกหมวด น, นั่นแหละสามารถที่จะรู้ได้นี่ก็เป็นเจโตปริยายาน กับวิชาสามดังกล่าวแล้วนั้นจึงเป็นแปดแปดนี้ชื่อว่าวิชาเพราะเป็นความรู้วิเศษ ร, รู้ต่างๆรู้แจ้งแเฉนตดอดวิชาแปดนี้มีที่มาน้อยวิชาสามนั้นมีที่มามากในพระไตรปิฎกจารณามีสิบห้าก็คือศีลสังวรศีลคือความสำรวมกายวาจาหนึ่งอินทริยสังวรความสำรวมในอินทรีย์ทั้งหกมีจกักขุนสีเป็นต้น มีให้อภิชาโทมนัสบาปธรรมเกิดขึ้นได้หนึ่งโภชเนมัตตัญยุตาความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะหนึ่งชากริยานุโยกความประกอบตามซึ่งความเพียรเป็นของแห่งคนผู้ตื่นอยู่หนึ่งกับสัพปริส ธ, ธรรมเจ็ดสัพุริส ธ, ธรรมทรรมของสัตว์บุตรผู้สงบแล้วก็คือศรัทธาความเชื่อต่อของที่ควรเชื่อก็คือเชื่อในกรรมวนนกรรมเชื่อในคุณควารตรรุธดีของพธธระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ ฮิริความละอายเพราะทุจริตบาปรำโอต ป, ปะความสะดุ้งแต่ทุจริตบาปทำทาหุสัจจะความเป็นผู้สูตรก็ยินได้ฟังมากวิริยะคือความเพียรปารลบความเพียรในการละบาปเจริญบุญสติความระลึกได้ไม่หลงลืมในสิ่งที่ทำคําที่พูดแม้นานแล้วได้ว่าเป็นเพียงกายยบิ ญ, ญัติปกิบิ ญ, ญัติที่เกิดจากจิตเป็นปัจใจเท่านั้นปัญญาความรู้ทั่วถึง อีกอันหนึ่งกรู้ตามความเป็นจริงอราเหยความเกิดกำกับของสังขารทั้งหลายากักฌานสี่ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานธรรมมีประเภทสิบห้านี้ชื่อว่าจรณะเพราะเป็นธรรมสาหรับบุคคลจะสัญจรดําเนินไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานจรณะนี่เปรียบเหมือนกับเป็นเท้าที่จะพาเดินไปให้ถึงพระนิพพานแต่ว่าจะต้องมีวิชาด้วย วิชาก็คือปัญญานั่นเองวิชาสามและแปดก็ดีและจารณสิหานี้ย่อมมีพร้อมบริบูรณ์ไม่บกพร่องในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเหตุนั้นจึงตรงพระนามว่าวิชาจารณสัมปันโนผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณวิชาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยวิชาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมกระทาสัพพัญยุตาคือความเป็นผู้รู้ซึ่งสัพพะยยธรรมทั้งปวง ไม่ขัดข้องให้บริบูรณ์ดำรงอยู่ก็คือทําให้ถึงท้องความเป็นสัพพัญยุตตะความเป็นพระสัพพัญยูเจรณะสัำปทาความที่พระองค์ถึงพร้อมด้วยเจรณะย่อมกระทํามหาการุนิกตะตาความที่พระองค์มีพระกรุณาอันใหญ่หลวงให้บริบูรณ์ดำรงอยู่เจรณะก็เป็นปัจจัยแก่มหากรุณาสมาปฏิยานนั่นเองส่วนวิชาก็เป็นปัจจัยแก่สัพพัญยุตยาน พระองค์นั้นย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และใช่ประโยชน์แห่งสปปรรพสัตว์ด้วยสัพพัญยุตาและเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ประกอบสัตว์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยมหาการุณิกตาความการุณาอันใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะพระองค์ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณะพระเหตุนั้นสาวกของพระองค์จึงเป็นสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติแล้วดี ไม่เป็นทุปปฏิปันโนผู้ปฏิบัติแล้วชั่วดังสาวกแห่งครูผู้วิบัติจากวิชาและจรณะเป็นอัตตันตตะผู้ทําตนให้เร่าร้อนเปล่าเป็นต้นพระพวกยารถีพวก ป, ปําเพญทุกขกิริยาเป็นผู้ที่ประพฤติลําบากลําบากทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนาวมวสุขโตนั้นเพราะพระองค์ไปแล้วตู่ที่อันดีคือพระนิพพานอันเป็นอมริตตสถานทําให้ไม่ตาย อันหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าสุขโตเพราะพระองค์ไปแล้วชอบแท้จริงกิเลสใดที่พระองค์มละแล้วด้วยโสดาปติมัติพระองค์ไม่คืนมาสู่กิเลสนั้นอีกกิเลสใดๆที่พระองค์มละแล้วด้วยสกิทาคามิมัติและอนาคาริมัติหรืออรหัตมรรมปดีพระองค์ไม่กลับคืนมาสู่กิเลสนั้นนานอีกเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าสุขโตผู้ไปแล้วชอบ อันหนึ่งสุขโตแปลว่าเป็นผู้ไปแล้วดีแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเสร็จแล้วจากทำเหล่าใดทำเหล่านั้นไม่คืนมาสู่พระองค์ได้อีกเมื่อพระองค์ถึงแล้วซึ่งที่อันใดที่อันนั้นไม่กำเริบทำที่พระองค์ไปจากเสียนั้นก็คือกิเลสที่พระองค์ละแล้วด้วยมรคนั้นๆกิเลสนั้นไม่กลับคืนมาบังเกิดในพระอฤิยภัยได้อีกที่อันพระองค์ถึงแล้วนั้นคือพระนิพพาน พระนิพพานเป็นอากุปธรรมไม่กําเริอกลับคืนเป็นสราคาดิธรรมที่กอบด้วยราคะและกลับคืนเป็นชาติธรรมหรือวัชราธรรมเป็นต้นกลับมาสู่คําแก่ความตาอีกไม่มีพระองค์ไปเสียจากกิเลสถึงแล้วซึ่งพระนิพพานด้วยเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าสุขโตเป็นผู้ไปแล้วดีถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าโลกวิถูนั้น พราะระองค์เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกด้วยประการทั้งปวงแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วซึ่งขันธ์ธาที่โลกมีขันธาตุยตนะเป็นต้นโดยสภาพความเป็นของตนแห่งโลกคือทุกข์โลกทั้งหลายนี้เป็นทุกข์ทุกข์สัตว์และรู้โดยสมุทัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งโลกก็ได้แก่ปัญหาเป็นแดนเกิดแห่งโลกคือความแตกดับนี้แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เกิดจากกิเลส เป็นปัจจัยด้วยนะที่เด็เป็นเหตุทํากรรมกรรมก็โดยทําให้เกิดโรคต่างๆและรู้โดยนิโรธทําเป็นที่ดับแห่งโลกและสมุทัยคือพระนิพพานและรู้โดยนิโรธุบายทําเป็นอุบายในความดับโลกคือมัจพระองค์รู้ด้วยประการทั้งปวงดังนี้พระเหตุนั้นพระองค์จึงได้ตรัสแกรโรหิตตัสสะเทวบุตรว่า ในที่สุดโลกใดสัตย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายย่อมไม่เคลื่อนไม่เข้าถึงเราตถาคตย่อมไม่กล่าวซึ่งที่สุดโลกนั้นว่าเป็นที่อันบุคคลจะพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโดยปกติมีไปด้วยเท้าเป็นต้นก็แลเราตถาคตย่อมไม่กล่าวว่ายังไม่ถึงซึ่งที่สุดแห่งโลกและกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกได้ก็แต่ว่าเราตถาคตย่อมบรรัญญัติซึ่งโลก และโลกาสมุทยัยเหตุเป็นแดงเกิดแห่งโลกและโลกานิโรธที่เป็นที่ดับแห่งโลกและโลกะนิโรธคามนีปฏิปทาทางดําเนินไปถึงที่ดับโลกสี่อย่างนี้ในกาเวระสรีระกายยาวประมาณวานหนึ่งประกอบด้วยสัญญาและใจนี้แลใช่จะ บ, บัญยัตในที่อื่นก็หาไม่เพราะฉะนั้นพระจะตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในกายยาวานาคืบพร้อมทั้งใจคลองนี้เอง พระผู้มีพระภาครู้โลกด้วยประการทั้งปวงดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าโลกาวิทูผู้รู้แจ้งซึ่งโลกในอันนี้ได้ในสังขารโลกอันหนึ่งแม้ถึงสัตวโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ย่อมรู้แจ้งรู้แจ้งอย่างไรพระองค์ก็รู้แจ้งดังนี้ว่าสัตวโลกคือเทพ ย, ยดามนุษย์จงพวกนี้มีอาศัยะทำเป็นที่มานอนอยู่แห่งจิต ด, ดังนี้คือ บางพวกเป็นสัจตาสยะบางพวกเป็นอุเฉดาสยะก็คือนอนเนื่องด้วยความเห็นผิดประเภทสัจตะเที่ยงอุเฉทะประขาดูนบางพวกเป็นอนุโลมมิขันตายาสยะก็หมายถึงเป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปในการที่จะเจริญพัฒนาเป็นอนุโลมมิกขันติยานะขันติพวนี้บางพวกเป็นยะถาภูตายานาสัสทัศนะก็คือเจริญพิจารณา การรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นพวกวิปัสนาหเหมือนกันและรู้ว่าสัตว์โลกจำพวกนี้มีอนุสัยคือกิเลสนอนอยู่ในสันดานดังนี้คือเป็นราคาอนุสัยเป็นต้นการอนุสัยนั้นเจ็ดใครจํานิสัยแบบไหนมากแน่รู้ว่าสัตว์จำพวกนี้ประกอบด้วยสุจริตและทุจริตหรือรู้จริตทั้งหกแห่งสัตว์ก็ดีคือพวกราคะโทสะโมหจริตพิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตพวกนี้ และรู้ว่าสัตว์ผู้นี้มีอธิมุตติคืออัจฉริยะสายต่ําช้าและกระนิดดังนี้ก็ดีและรู้ว่าสัตว์ผู้นี้มีอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นอันโคมกระผู้นี้มีอินทรีย์อันอ่อนตามผู้นี้มีอาการอันดีคือเป็นวิวัตตาสัยหมายมถึงเห็นโทษภัยของวัตตะผู้นี้มีอาการอันชั่วคือวัตตาสัยหมายมถึงอาศัยวัตกายดีในวัตตาอยู่ผู้นี้จะพึงให้รู้ได้ด้วยง่ายเพราะมีศรัทธาและปัญญา ผู้นี้จะเพื่อให้รู้ได้ด้วยยากเพราะไม่มีศรัทธาและปัญญาผู้นี้เป็นภพประศัตรควรจะตัดสรู้ก็ปราศ จ, จากอาวรณธรรมเครื่องกัน้นคือกรรมและกิเลสและวิบาผู้นี้เป็นอภพปรัตรเพราะประกอบด้วยอาวรณธรรมมีกรรมเป็นต้นพระองค์รู้แจ้งซึ่งสัตวโลกดังนี้แหลจึงทรงพระนามว่าโลกวิถูผู้รู้แจ้งถึงโลก อันหนึ่งโลกโดยประเภทมีสามคือสังสารโรคได้แก่นามรูปเป็นต้นหนึ่งสัตวโลกได้แก่เทพพยาดามนุษย์เป็นต้นหนึ่งโอกาสโลกคือแผ่นดินอากาศเป็นต้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคจาย่อมรู้โลกทั้งสามนี้ว่าเป็นปุลชนะธรรมมีความหลุดทลายหักพังไม่ยั่งยืนเป็นธรรมดาเพราะเหตุ น, นั้นพระองค์จึงทรงพระนามวา่าโลกวิถู ผู้รู้แจ้งซึ่งโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอนุตตรโนั้นเพราะไม่มีผู้ใดไม่มีผู้ใดใครอื่นในใจพบยิ่งกว่าพระองค์ด้วยคุณแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงครอบงามเสียซึ่งโลกทั้งปวงด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะและพระองค์ไม่มีผู้เสมอ พระองค์ย่อมเสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์ไม่มีผู้เปรียบไม่มีบุคคลผู้เปรียบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตะโรเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าให้บัณฑิตพึงสาทกด้วยอักขับภะษาทาสูตเป็นต้นก็คือไม่ว่าจะเป็น สัตตองเท้าสี่เท้ามากเท้าไม่มีเท้าสักมีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะเป็นรูปอะรูปก็ตามมีประมาณเท่าไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศ ก, กว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายให้เหล่านั้นพระนามว่าปุริสธรรมสารถินั้นแปลว่าพระองค์เป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษที่ควรทรมานแท้จริงพระผู้มีพระภาคจเจ้านั้นย่อมทรมานซึ่งเทพ ย, ายดา มนุษย์และอามนุษย์ซึ่งเป็นบุรุษควรทรมานนั้นด้วยวินัยอุบายอันวิจิตต่างๆคือสัตว์จําพวกใดชอบคําละเอียดไพเราะพระองค์ก็ทรงทรมานด้วยคําละเอียดคือแสดงสุจริตสามมีกาย ส, สุจริตเป็นต้นและแสดงผลแห่งสุจริตชื่อว่าเป็นคําละเอียดให้สัตว์นั้นยินดีประพฤติสัตว์จำพวกใดชอบคํายาพระองค์ก็ทรงทรมานด้วยคํายา คือประกาศทุจริตสามและผลแห่งทุจริตนั้นให้ตัดเกลียดกลัวมลเสียสัตว์จำพวกใดชอบทั้งคําละเอียดคำญาพระองค์ก็ทรงทรมานด้วยคําทั้งละเอียดทั้งยาคือทรงแสดงซึ่งสุจริตทุจริตและผลแห่งสุจริตทุจริตนั้นให้ตัดมลเสียซึ่งพยศอันร้ายคือทุจริตตั้งอยู่ในกุศลสุจริตสัตว์จำพวกใดไม่รับวิในอุบายวิธีทรมานอันวิจิตของพระองค์ดังนี้ สัตว์จำพวกนั้นชื่อว่าอะปุริตะธรรมโมใช่บุรุษควรทรมานบุรุษไม่ควรทรมานพระองค์ไม่ต้องทรมานบุรุษจำพวกนั้นชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฆ่าเสร็จแล้วด้วยไม่ต้องทรมานสั่งสอนบุรุษนั้นชื่อว่าตายจากกุศลธรรมและความสุขในโลกทั้งสองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉดาในการทรมานสัตวโลก ดังนายหัตถาจารและอัาจารย์ควานช้างควานม้าผู้ฉลาดทรมานซึ่งขจสารและอัศดรซึ่งเป็นตัดควรทรมานให้มละพยศอันร้ายดังนี้พระองค์จึงทรงพระนามว่าปุริกะธรรมสารติผู้ทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานวันนี้ก็สมควรจะเวลาพวกนี้ก็จะได้กล่าวถึงคําว่า อนุตตรโภกับปุริส ธ, ธรรมสารถินี้ก็รวมกันเป็นบทเดียวเลยก็คืออนุตตโภปุริส ธ, ธรรมสารถิผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าวันนี้ก็ขอให้ได้ศรัทธาอันเพิ่มพูนยิ่งขึ้นคอยได้ปิติการโมทในการน้อมระดึกหรือว่าได้ฟังถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นปัจจัยในการที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏฏะคอยททั้งหลายได้ทําการกําำลบรู้ทุกขละสมุทัยทำนิโรธที่แจ้งแล้วก็ อบรมอริยมรรคในองศาคือสินสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์จะได้พ้นจากทุกในการมิเนินชานี้สาธุสาธุสาธุ